سب الش الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلى ا ل ظ ول ا ظ ل م ن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد بعد رضا وا ش ه د ا อ ل ا ลอฮ์ ل ا الله و ح د ه لا ش ลห์ ا ะ ل ลิก ه ะอิลล้าห์ ل ลอโวลินับอัล ن าครินฉาดูอันนบิอานะมุฮัมมัดะะบ ي ن ห์ ا รัสซูรุห์อารัสรุห ل อัลลอฮ์ ه รหัมตะล์เล่ลอาล ا ม ا ل อัมมา ل ى ซัลล ا มุ ل ะลัยคุมวรหั ل ر ะล์ละวะบารักะตุบั م ا ي การะละตั๋ลาฟิ ل ลาฟีคัท ل ิลคา ا ل มบัลอาอูซุบิลลาหมิชชิ ا านุร هل في ذلك قسم لذيه؟ ألم تر كيف فعل ربك ب ع ا د إرم ذات ا ل ع م ا د التي لم يخلق مثلها في البلاد وثامود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الأود. ครับพี่น้องที่ و ักท ا ่รักครับเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับในช่วงของการอาบายอัลุรานเรอุราน โดยหวังความเมตตาจากพู้ว่าสุบฮานะฮุวะตอลนิสระอลฟัจในการสาบาน ท, ที่ผั้ว่าสุบฮ า, านะฮะาลได้สาบานกับสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่พู้ว่าสุบฮานะฮะาลทรงสร้างแล้วมันก็มีผลมีประเด็นมีสาระให้กับมนุษยชาติแล้วก็โดยเฉพาะกับผู้ศรัทธาหลังจากการสาบานให้มนุษย์ได้คิดพว่าสุบาะอก็ได้บอก ให้เรารู้เป็นการเตือนสติให้เราได้ใข้ควรถึงมนุษย์ที่มีมาก่อนหน้าพวกเราแน่นอนครับคนเราเกิดมาคนเราก็ต้องตายตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เราอาจจะเห็นภาพชีวิตในมุมมองที่มันแคบๆการที่จะทำให้เราเห็นภาพชีวิตในมุมมองที่มันกว้างในมุมมองที่มันควรจะเป็นได้นั้น หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการที่เรานั้นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ดูกลุ่มชนที่เขามาก่อนหน้าเราทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีทั้งคนที่ประยบเหมือนกับประสบความสำเร็จในดุนยาหรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในดุนยาก็ตามการที่เราศึกษาประวัตเหล่านั้นครับมันจะทําให้เรานั้นได้เห็นภาพของชีวิตในดุนยาในมุมกว้างมากยิ่งขึ้นบางครั้งมันจะทําให้เราได้สติกับบททดสอบที่เราอาจจะกําลังเจออาจจะกําลังเผชิญอาจจะกําลังเศร้าอาจจะกำลังทุกข์อาจจะกําลังหวาดกลัว การที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมันจะช่วยให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสติในการที่จะเผชิญหน้ากับบททดสอบของพวกลอสุสปานาตาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเพราะทุกรูปแบบของบททดสอบที่เราเจอคนในอดีตล้วนเจอมาแล้วทั้งสิน้นบางคนอาจจะบอกในอดีตไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาบททดสอบของพวลอครับรูปแบบไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลย ก็คือจะเป็นการทดสอบในเรื่องทำให้เกิดความหวาดกลัวในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของความรักในเรื่องของความชังในเรื่องในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกนี่คือบททดสอบของผูว้ว่าลอสซูบฮานว่าแต่ละผู้ว่าบอกให้เรารู้ครัว่าถ้าคุณต้องการประสบความเสเร็จในดุนยาคุณอยากมีอะไรอยากมีบ้านใช่ไหมอยากมีครอบครัวใช่ไหมอยากมีความมั่งคั่งใช่ไหม คุณดูคนก่อนหน้าพวกคุณเขาก็มีมาแล้วถึงเวลาเขาก็ต้องดับสูญแต่เขาจบยังไงจบสวยหรือจบไม่สวยในสุรานี้พวกเราได้พูดกลุ่มชนแรกก็คือกลุ่มชนที่พบกับความไหายนะเป็นกลุ่มชนแรกนับจากหลังจากสัยนบีนุ่งหลังจากที่พวกเร า, เาล้างบางไปแล้วรอบหนึ่งล้างบางคนชั่วไปแล้วแบบไม่ให้เหลือเลยเบื้องผืนเป็นป น, นี้แต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็พร้อมที่จะชั่วได้โดยที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องมีแบบอย่างมาจากใคร นี่คืบททดสอบนี่คือดุนยาที่พวกเราอยู่ครับผมหลังจากน้ำท่วมโลกก็มีกลุ่มชนที่ว่ากระจัดกระจายไปตามลูกหลานของเบีนุอาที่มีชีวิตรอดหนึ่งเรื่องก็คือกลุ่มที่สืบทอดมาจากคนที่ชื่อว่าอาร์ตก็เรียกว่าเป็นกลุ่มชนชาวอาร์ตซึ่งสุ่มชนชาวอาร์ตเนี่ยก่อนที่จะถูกล้างบางไปเนี่ยเขามีนวัตกรรมมีความสามารถมีความยิ่งใหญ่มีความเกียงติยมีความมั่งค่งมีความรั่งรวย เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แต่เขาก็จบทุนสไลด์ก็จบตอนนี้ก็ตายไปแล้วเป็นอดีตที่เขามีมันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นภายหลังการลร่มสลายของอาณาจักรของอาร์ตอย่างที่พวกเราทราบอย่างที่คุยกันไปแล้วก็คือก่อนที่จะเกิดการล่มสลายก่อนที่จะเกิดเรื่องราวการท้ถา่ายพระเจ้าขึ้นเนี่ยกลุ่มชนอาร์ตกลุ่มหนึ่งได้แยกออกมาก่อนเนื่องจากมีการทะเลาะเบาแหวงกันภายในแยกมา ซึ่งอย่างที่เราทราบกลุ่มใหม่ที่แยกออกมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่พาดพิงไปยังคนที่ชื่อว่าสมอตซึ่งก็นั่นแหละครับก็เป็นลูกหลานของอาร์ตเนี่ยแหละก็ได้ชื่อและประสาทบางคนก็เรียกเป็นกลุ่มอาร์กลุ่มที่2ซึ่งก็ไม่ค่อยจะแตกต่างจากกลุ่มอาร์กลุ่มแรกครับในเรื่องของความเมตตาเท่าไรกับเขาอย่างมากมายแล้วก็การตอบแทนที่พวกเขาเลือกที่จะตอบแทนต่อพวกลอสซูบฮานวุวาตาล เพราะกล่าวไว้แค่อาัะาเดียวเกี่ยวกับสมุตในส่านนี้ว่า ม, มุดลและดีนะจะบุษคราบบินเวทแล้วไหนจะกลุ่มชนชาวสมุตแหละกลุ่มชนชาวสมุตที่เขานั้นได้เจาะอซสสกซกนี่หมายถึงก้อนหินที่มีก้อนขนาดใหญ่มากมาครับไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะซ็อกนี่คือหินขนาดที่มีขนาดยักษ์แล้วไหนจะกลุ่มชาวสมุตที่ว่าเขาเจาะอยู่ใน ก้อนหินขนาดยักษ์บินวาที่อยู่ในหุบเขาอย่างที่พวกเราทราบครับท่านที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจจ์ทำอุมงค์เราในช่วงหลังๆถ้ามีโอกาสได้มีคนพาไปดูเราจะพบสถานที่ที่ชื่อว่ามาดาอินซอลแลมาดินซอลแลก็คือสถานที่ที่กลุ่มชนชาวสมุทรเคยอาศัยอยู่เรายังเห็นร่องรอยของอารยาธรรมของพวกเขาก็คือพวกเขาเหล่านั้นนี่คือบางคนก็บอกว่าเราอะลัมครับนักบวิศาสตร์บางคนก็บอกว่ากลุ่มชนชาวสมุทรเนี่ยสิ่งที่พวกให้กับเขาเนี่ย ก็คือการมีอายุไขที่ยืนยาวอายุไขที่ยืนยาวมากยืนยาวมากมา ก, มากจนกระทั่งว่าบ้านถ้าสร้างแบบปกติดูมันมันไปไม่รอดคือบ้านพังก่อนแล้วเขาต้องมาสร้างใหม่แล้วก็ยังไม่ตายบ้านก็พังก่อนก็ต้องมาสร้างบ้านใหม่ผลสน้ายเขาก็เลยอยากอลารนั้นเลยก็เจาะภูเขาอยู่เพราะภูเขายังไงมันก็ไม่พ่เพราะจนถึงปัจจุบันร้อรอยก็ยังอยู่ แต่เมื่อเราคิดนี่คือความปวดปานที่ร้อยกับเขาประการแรกก็คืออายุไขที่ยืนยาวประการที่สองก็คือความสามารถในการที่จะเจาะภูเขาปัจจุบันครับมนุษย์เจาะภูเขาจะ ไ, ไม่เจาะได้บางคนบอกเยอะแยะเนี่ยเจาะถนนเจาะอะไรผ่านภูเขาเป็นกิโลเป็นกิโลเจาะได้ครับแต่ว่าต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง ต้องสิ้นเปลืองครับต้องทุ่มเทครับต้องมีค่าใช้ใจ่ายคือถ้าเลือกได้นะเลือกอย่างอื่นได้ปกติก็มักจะเลือกเส้นทางอื่นหรือถ้ามันอ้อมไปทางอื่นได้ถ้ามันไม่ไม่มีเสียหายไม่อะไรมากปกติเขาก็มักจะเลือกทางอื่นเพราะมันต้องลงทุนเยอะนี่คือนวัตรกรรมปัจจุบันที่เราภูมิใจ่ะครับที่เราบอกว่าเราทําได้หมดทุกอย่างที่เราทําได้แต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากลําบากแล้วเราจินตนาการไปไม่รู้กี่พันปีพี่น้อง ยุคสมุดบ้างก็บอกว่าสีพันบ้างก็บอกว่าน้อยกว่านั้นบ้างก็บอกว่ามากกว่านั้นว่าเล่าว่าแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในยุคสมัยนั้นที่โดนดูถูกว่าไม่มีนวัตกรรมใหม่มีมือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องบินใหม่อะไรเลยบางคนก็คิดว่าคนนี่ใช้แค่จอบแค่เสียงแต่อลอฟให้เขามีความสามารถที่จะเจาะภูเขาเพื่อที่จะอยู่ได้ไม่ว่าจะเพราะอายุยืนหรือเพราะยังไงก็ตามแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่านี่คือความเมตตาที่อลอฟให้กับบ่าว ให้กับกลุ่มชนหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ให้กับอีกกลุ่มชนหนึ่งบางคนอาจจะมีแอบถามนะครับอาจารย์แล้วมันยุติธรรมหรือที่เป็นแบบเนี้ยประการแรกของซิมเราเชื่อมันในความยุติธรรมของกลัวลอสซูบหาฮันอุวาตาลาต่อให้เราไม่เข้าใจเพราะหลายเรื่องเราไม่เข้าใจหรอครับหลายเรื่องเราไม่เข้าใจว่ายุติธรรมตรงไหนอย่างบางคนบอกทําไมคนที่เกิดเป็นผู้ชายทําไมคนที่เกิดเป็นผู้หญิงอ่ะทําไมมรดกเวลาแบ่งผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจก็จะเกิดคําถามว่าทําไมอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรม แต่พอเรามาศึกษาปุ๊บอลัลลอฮ์ส่งวิปปิธรรมแล้วอลัลลอฮ์ก็ส่งเมตตาเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้รู้ถ้าเรายังไม่เจอคําตอบที่ทําให้เราสบายใจก็ขอให้เราเชื่อมั่นได้เลยว่าพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยุติธรรมที่สุดปัญหามันอยู่เพียงแค่ว่าเรายัางไม่เข้าใจเฉยๆนี่คือสิ่งทีม่มุสลิมเราทุกคนเชื่อมัน่นแล้วเราก็ศรัทธาตามนี้จริงๆมันไม่ใช่ความงมงายครับเพราะว่าเรา เราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราเจออะไรมาเยอะแล้วแล้วเราก็เชื่อมั่นในความเมตตาของพวกลอสสุภัตตาในหน้าประวัา ต, าติศาสตร์ต่างๆที่พวกองเราพูดจริงมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความที่จะทำของพรกเราอย่างแท้จริงครับพี่น้องอย่างกลุ่มชนสมุทรเนี่ยพวกเรากล่าวว่าไงนะแล้วไหนจะกลุ่มชนชาวสมุทแหละผู้ซึ่งเขาได้เจาะภูเขาเจาะหินก้อนยักษ์มาหืมาเนี่ยที่อยู่ในภูเขาภูเขาก็คือพื้นที่ที่ว่าความเป็นอยู่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยด้วย เมื่อเราพูดถึงกลุ่มชนชาวสมุทครับนบีท่านไหนหละที่ถูกแต่งตั้งมาให้กับชาวสมุทรอย่างที่พวกเราทราบก็คือนบีซุแลห์ซึ่งกลุ่มชนชาวสมุทเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในสี่กลุ่มชนเท่านั้นนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวอาหรับอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นอาหรับเพราะการอพยพหรืออาหรับเพราะไปแต่งงานเป็นชาวอาหรับอย่างแท้จริงเลยชาวอาหรับจริงๆเลย เพถ้าเกิดอย่างเราดูครับอย่างอับดุสมาอินไม่ได้ถือว่าเป็นชาวอาหรับถ้าถ้าเป็นกิปตี้ถ้าเป็นกิปตี้หรือบางก็บอกว่าก็ถ้าเกิดยึดตามท่านอับดุสมาอินก็ต้องไปทางสายนั้นก็คือไม่ใช่ชาวอาหรับแท้จริงก็คือท่านเกิดจากที่อื่นแล้วท่านมาอยู่ที่มักกะแต่ลูกหลานของท่านถือว่าเป็นชาวอาหรับแล้วนบีที่เป็นชาวอาหรับนะครับท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่าบอกว่ามีสี่ท่านที่ไม่ใช่อิบรียนะครับผมจริงจอิบรียกับอาหรับก็เป็นญาติกันเนี่นะแต่ นบีมอลสลลลอซาบอ้นบีที่เป็นอาหรับแท้เนี่ยมี4ี่คนมีนบีฮูดที่ถูกส่งให้กลุ่มชนอารก็คืออาร์กถือว่าเป็นอาหรับจริงกับสมุตซึ่งถือว่าเป็นอาหรับจริงก็คือนบีซาแลมีนบีฮูดนบีซาแลมนบีชูไอที่ถูกส่งให้กับมาดัซาแลมแล้วก็นบีมอลสลลลอหุ้งอะไรวะสลัมชาวอาหรับเหนือกว่าชาติอื่นอย่างไรแน่นอนครับในเรื่องของการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเชื้อชาติไม่เกี่ยว เชื้อชาติไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละเผา่าพวกล็อก็มีให้มีความสามารถที่แตกต่างกันพลลัพให้แต่ละกลุ่มแต่ละเผ่านั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันสําหรับมุสลิมนะครับท่นานอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่าบอกว่าอัลอาอิมมัตุมินกูรอยชินอัลอาอิมมัตุมินกูรชินผู้ที่จะเป็นผู้นําสูงสุดของมุสลิมได้นั้นต้อง มาจากเผ่ากูเรชเท่านั้นซึ่งกูเรชเป็นชาวอาหรับอย่างที่พวกเราทราบกันก็แปลว่าผู้เลาะให้เกียรติชาวกูเรชเหมือนกับที่ว่าเคยให้เกียรติบันีอิสรอเอลมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เลาะไม่ยุติธรรมอันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งยิ่งมีความรับผิดชอบสูงก็ยิ่งโดนสอบสวนหนะนักแน่นอนผลจอบแทนสูงแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงตามกันเพราะฉนั้นดิโกลินเคสครับจะเป็นแบบไหนดีดีทั้งหมดครับเป็นคนไทยก็ดีเป็นคนจีนก็ดีเป็น คนอาหรับเป็นคนชาติไหนดีหมเดเลยแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสระบอกไว้ครับไรซะอาราบียินอาเลอาจามียินฟัดลุนอิลาบิตักวาชาวอาหรับกับคนที่ไม่ใช่อารับน่ยไม่ได้เหนืออะไรแตกต่างกันเลยนอกจากความตักวาที่ทําให้คนคนนึงประเสริฐนะที่อัลลอฮ์เหนือคนอีกคนนึงคือเชื้อชาติเนี่ยอาจจะมีบางชาติที่มีความดื้มล้ําชาติ น, ตนี้ฉลาดกว่าชาตินั้นชาตินี้แข็งแรงกว่าชาตินี้อาจจะมีความดื้มล้ํากันแต่ที่สุดแล้วอยู่ภายใต้ความเมตตาความยุติธรรม ของผลอสซุบฮาหนะฮุวะจานะนี่ที่เราต้องตกยามดังนั้นเราต้องตกยามครับขอบคุณครับคุณเลบอิสลามสลามมาแล้วก็บอกแชร์ให้แล้วนะครับจัดสรรล็อตขนาดแล้วก็คุณทีได้ใส่บุญเพลงครับให้กำลังใจมาก็ขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับผมนิซาดะนะครับหวังว่าเราจะให้สุขภาพดีขึ้นบ้างแล้วนะครับก็ขอร้องแม้แต่สลามมาเพวันกลาม سلام อัลลอฮฺบออบาริกาตูเช่นเดียวกับพี่วันนี้สลามมาก็วายตุนสลามลออบาริกาตูครับผมถ้าในที่สลามมาผมเห็นข้อความขอมาออีกครั้งหนึ่ง เรากลับมาคุยเรื่องของกลุ่มชนชาวสมุทรเรามาทําความรู้จักกลุ่มชนชาวสมุทรแบบคร่าวๆแบบไม่ได้เจาะลึกไม่ลงลึกถ้าลงลึกอาจารย์หลายท่านเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมอย่างอาจารย์คอริดหรืออาจารย์หลายท่านก็พี่น้องก็ไปศึกษาอาจารย์เหล่านั้นก็ค่อนข้างจะได้เนื้อหาที่ละเอียดผมก็ไม่ขอทัวแล้วเอาแค่สรุปประเด็นที่อยู่ในคู่านแล้วกันในยักกุรานครับในสุระ อ, อ, อาล อ, อเพราะว่าพูดถึงกลุ่มชนชาวสมุทร ซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียก็คือแถวเยเมนนั่นแหละครับผมชายแดนเยเมนนั่นนะครับผมก่อนไปทางชามครับในสุรละรับอัยที่หกสิบห้ครับเวลาสมูดอะคอฮุมสอลิฮะก้อลยาเก้ามิอาบุดุลลอฮฺมาละกุมอิลลัฮินไกรุกขจจาอัตตุมบายนะตุมมิรับบิกุมฮารินักตุลลอฮิลักุมอายาฟาซารูฮะตะฮุล ฟิอาต์ ด, ดิลลัยว่าจะตามสู้ฮาบิสู้อินฟายาขุดจากุมอาดับุนอลัลลมที่พวกเรในสุรอัลรอันนี้เราเรียกว่าเป็นการอธิบายกุรานด้วยกุรอานจะทําให้เราเข้าใจยากุรานมากยิ่งขึ้นโดยการเอายากุรานอื่นที่พูดในเรื่องใกล้ๆกันเนี่ยเอามาทําความเข้าใจในสุราอัลฟาที่เรากำลังพูดคุยกันพวกเราบอกแค่ว่าเดี๋ยววัสซมูเดเลดิเนาจาบุสซาครบินวาท่าประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าเอาลายความ ยิ่งใหญ่แก่เขาให้เขาเหนือกว่ากลุ่มชนิษฐ์สมัยเขาแต่เขาเลือกตอบแทนอย่างไรทีนี้ครับกลับมาในดูในสโ อ, อารอฟกันต่อครับผมเขาบอกว่าไงครับแล้วกลุ่มของชาวส ม, มุทเนี่ยเอาล็อกก็ส่งพี่น้องของพวกเขาไปให้เขาก้เอากลุ่มเขาเนี่ยแหละไม่ได้เอาคนนอกไปเอาคนในกลุ่มนี่ยแหละพี่น้องของพวกเขาได้ซ้ําเป็นญาติเขารู้จักดีก็คือนบีที่ชื่อนบีซาเลซึ่งก็คือเราศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันก้าล ย, ยากาอูะบุดุลลอนบีซาเลสก็ เช่นเดียวกันกับนบีทุกท่านครับหน้าที่ของนบีทุกคนสั่งใช้คนให้กราบว่าอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์หวังต่อพื่อลลอฮเพียงผู้เดียวยะก้องกลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงทําอิบารัดาต่ออัลลอฮ์คุณไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์นะคุณอยากได้สัจธรรมใช่ไหมฉันมาเผยแผ่คุณเป็นประจําคุณก็บอกเราอยากได้สั ญ, ญลักษณ์อยากรู้ว่าอัลลอฮ์มีจริงขอพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์มีจริง เนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งอูดมาให้คุณแล้วน่ยอูดที่อ้วนพีเพราะปัญหาของชาวสมุทรอะครับจริงอยู่ที่ว่ามีเทคโนโลยีมีนวตกรรมแต่ปัญหาไม่ต่างจากชาวอาร์ตเท่าไหร่ก็คือมีปัญหาในเรื่องของที่ทํากินในเรื่องของแหล่งน้ําปัญหาแค่ให้กลุ่มอาร์ตพอมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ําปุ๊บพอท่านอบดุลเลาเผยแผ่มากเข้ามากเข้ามากเข้าชาวสมุทรก็เลยบอกว่าไงครับอ่ะถ้าอัลลอฮ์มีจริงเนี่ยให้อูดออกมาสิ เอาอูตัวใหญ่ๆเลยนะที่มีนมเยอะๆเลยนะเพราะอย่างที่เราทราบครับในบรรดาสิ่งที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาสร้างสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่เป็นนายของอาหารสุดยอดของอาหารที่เป็นได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มนั่นก็คือนมถูกไหมครับนมนี่คือเวลาหิวน้ํากินนมได้เวลาหิวข้าวก็กินนมได้เพราะนั้นเป็นสุดยอดอาหารหรือว่าสุดยอดของสิ่งบริโภคซึ่งก็มีดุอาใช่ไหมครับ มีดูอาท่านระบีบอกว่าไงครับมุสลิมถ้าเราได้ดื่มนมไม่ใช่บอกว่านมไม่ดีนมอย่างนั้นท่านศาสนานี้บอกว่านมไม่ดีหมอคนนะั้นบอกว่านมไม่ดีตัดไปอลัลลอฮ์บอกว่าดีจบพี่น้องพอดื่มนมเสร็จแล้วบอกไงครับอัลลอห์โมาบาริกเดลนาฟิฮิวะซิฟนาเมนหูโอ้ล้อปวดให้นมนี้มีความบรารักัสําหรับเราอ่าตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปขอให้มีแต่ความบรารักัสมีแต่ความจำเนื้อวะซิฟนามมนหูแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสได้ดื่มนมอีก นี่คือที่มุสีมต้องทำครับก็คือต้องขอบคุณผู้อรล้อก่อนไม่ใช่ว่าเลือกกินอาหารแล้วก็บอกไม่เอาฉันไม่กินอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีหมอคนนั้นบอกอย่างนี้หมอคนนี้บอกอย่างนี้พี่น้องที่รักผู้ไปเสียสต้าเขาไม่จําเป็นต้องขอบคุณอรล้อเขาจะทิ้งอาหารเขาจะคว้างอาหารเขาไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าเขาไม่มีอาารล้อให้ต้องกลัวแต่มุสีมเราไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องกลัวล้อเราต้องหวังจากผัวล้อโดยเพราะอาหารที่เราบริโภคพี่น้องผมเจอมาเยอะแล้ว หลายคนที่ว่าเขาเลือกทิ้งริสกีที่อัลลอฮ์ให้ถือเวลาอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยอดจากริสกีต่างๆของพระ อ, องค์บางคนก็บอกฉันไม่กินอย่างงี้ฉันไม่กินอย่างงี้มื่อเช้าฉันไม่กิ น, น, ม, น, ม, กนมีอาหารมาตั้งแล้วริสกีไม่กินเอาไปทิ้งถึงเวลาอัลลอฮ์ครับทดสอบให้เขาไปโลกที่ว่าขาดสารอาหารอย่างรุนแรงถือเวลาต้องมาอัดถึงเวลาต้องมาดูบททดสอบไม่เป็นบททดสอบเราไม่เรียกเป็นการลงโทษนะเรียกว่าเป็นบททดสอบเป็นการเตือนสติ เร่นเดกันบางคนอาจจะบอกอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีบางทีเพราะเราให้สิ่งนั้นเป็นฮารอนสำหรับเขาเลยคือถ้าเขากินปุ๊บเป็นอันตรายทันทีเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้ามันยังไม่ใช่เป็นโรคที่มาจากอัลลอฮฺอย่างถ้าเกิดเป็นโรคบางคนแพ้จริงๆกินแป้งไม่ได้กินขคาวสาบดรตไม่ได้กินนมไม่ได้นั่นคือบททดสอบแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่บททดสอบคือกินก็กินได้แต่ไม่ยอมกินอาหารมาตั้งอยู่กับหน้าแล้วเลือกคือถ้าเลือกก่อนอาหารมาตั้งเนี่ยไม่เป็นไรเลือกในขอบเขตที่มันหาล้านเนี่ยไม่เป็นไร บางคนอย่างมุดลปร้านอาหารยังไงเลือกอาหารอันนี้ฉันยังไม่อยากกินอันนี้ไม่อยากกินกินอันนี้ดีกว่าไอ้เ น, นี่ยเลือกไงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่ออาหารมาตั้งอยู่ต่อหน้าแล้วนี่คือความรับผิดชอบของเรายังไงก็ได้ต้องพยายามทําให้หมดตับแล้วก็ตามที่มันไม่ทําอันตรายเราอย่างชัดเจนก็ขอเตือนไว้ครับขอเตือนไว้งั้นที่เนี่ยคุณชนชาสมุตบอกว่าไงครับอยากได้อูด เพราะว่าจะได้อาหารจะได้จบปัญหาเรื่องอาหารไปเลยซึ่งอย่างที่พวกเราทราบพระพุทธองค์ก็ให้นบีซาแลยืนยันกับพวกเขาว่าถ้าได้จริงเนี่ยศรัทธาใช่ไหมพวกนั้นก็บอกแน่นอนเพราะมันเป็นไปนไม่ได้ที่อยู่อูดจะโผล่มากางทะเลท ร, รายในหูเขาที่มันไม่มีที่มาที่ไปพระพุทองค์ก็ให้อูดขนาดใหญ่ใหญ่โตมโหลาเลยครับผมใหญ่แค่ไหนพี่น้องใหญ่ขนาดที่ว่าแม่อูดตัวเนี่ย มีนมมากพอให้ทั้งกลุ่มทั้งเผ่านะกินอิ่มได้มีนมมากพอให้กินอิ่มกันทั้งเมืองกับพี่น้องที่ดูจะใหญ่ขนาดไหนจะนมจะมีบราร์การ์ขนาดไหนพวกเราอาลัมแต่นี่คือความปวดตานี้เพราะเราบอกว่าอยากได้ใช่ไหมขอใช่ไหมบ่าวข้าขอข้าก่อให้ถึงแม้บ่าวจะคู่ควรหรือไม่คู่ควรนี่คือดุนยาดุนยาเนี่ยขอไปพี่น้องเราจะคู่ควรไม่คู่ควรยังไงพวกเราก็ให้แต่ทุกการให้ของพวกเราเราจะถูกสอบสวน พออูดมาปุ๊บนบีบอกว่าไงครับเนี่ยคืออูดของอลัลลอฮ์แล้วนะอลัลลอฮ์ส่งมาให้พวกคุณนะคุณก็ปล่อยให้มันกินไปอย่าไปทําร้ายมันซึ่งธรรมชาติของอูดต้องกินน้ําเยอะพี่น้องในชาวเมืองเนี่ยมีแหล่งน้ําอยู่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีบ่อน้ําตามธรรมชาติที่าว่าถ้าเกิดใช้หมดปุ๊บอีกวันหนึ่งน้ํามันก็จะมาเต็มกี่หลังเพียงแต่เขามีแค่น้ําไม่มีอาหารเนี่ยเขาก็เลยอยากได้อู ด, อดพอได้อูดปุ๊บอูดก็ต้องกินน้ําพออูดต้องกินน้ําปุ๊บตัวใหญ่อยนมเยอะก็ต้องกินน้ําเยอะก็เป็นปกติ เลยกลายเป็นว่าอูดเนี่ยจะกินน้ํำวันเวนวันอูด ต, ตัวนี้นะครับที่พอเราส่งให้ชาวสมุนเนี่ยกินน้ํำวันเว้นวันวันไหนก็ตามที่อูดกินน้ําเนี่ยจะกินจนไม่เหลือเลยกินจนน้ําหมดบ่อเลยต้องรออีกคืนนึงให้น้ําค่อยๆขึ้นมาก็แปลว่าคนทั้งเมืองต้องแบ่งน้ําใช้กับอูดวันที่อูดกินเขาไม่ได้ใช้น้ําวันที่อูดไม่ได้กินเขาก็ต้องสํารองน้ําเตรียมไว้ใช้ในช่วงเวลาที่อูด ยังไม่ได้กินน้ําก็สํารองไว้ก่อนพี่น้องว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยมนุษย์ที่ไม่ศรัทธาในอัลลอฮฺจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นผู้ศรัทธาอะลัยฮุหมุลิลละเราแค่เสียสระน้ําวันหนึ่งซึ่งเราก็มีระบบจัด ก, การไในรอเอาถังมาเอาน้ําเลยมาก็จบแล้วเราแค่ลําบากนิดนึงในเรื่องน้ําแต่เราจะมีอาหารกินทุกวันคุ้มไหมครับคุ้มกว่าไหมยอมทรมานนิดนึง วันว้นวันที่ได้ใช้น้ําเต็มที่วันว้นวันแต่อาหารยังมีทุกวันแต่ถ้าปล่อยแบบอดีตได้ใช้น้ําทุกวันแต่อาหารเนี่ยอยู่แบบอดๆอยากๆถึงจะมีความสามารถแค่ไหนขาดอาหารตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในมุมมองผู้ศรัทธานี่คือความนมตตาของพวกลัทธิพหานหัวตาลแต่ในมุมมองของผู้ไปศิษฐ์ศรัทธาเป็นไงครับทําไมฉันต้องมาแบ่งน้ําใช้กับอูดด้วยเห็นด้วยไหมพี่น้องมุสลิมเราหา้ามคิดแบบนี้นะ เมื่อได้ความเมตตาบางคนเอาล้อเมตตาแล้วมานั่งจับผิดความเมตตาขององค์ล้อเนี่ยล้อฉันมีสุขภาพแต่ทําไมต้องให้ Hotel. ฉันไม่สบายด้วยล่ะหรือว่าทําไมต้องให้ฉันจนด้วยทำไมต้องให้ฉันอย่างนั้นทําไมต้องให้ฉันอย่างนี้อย่าไปจับผิดความเมตตาของพอกล้อเพราะเมื่อใ่ก็ตามที่เราจับผิดความเมตตาของพวกล้อเราจะกลายเป็นบ่าวที่เนรคุณไม่เห็นคุณค่าของความดีที่พระองค์ทำต่างดีเพราะอย่าลืมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยโดยพื้นฐานขายกัน ใครทําความดีกับเขาเราร้อยครั้งเราจะจําได้แม่นคือครั้งที่เราไม่เขาไม่ทําดีกับเราพี่น้องเห็นด้วยไหมใครก็ตามอาจจะทําความดีกับเราเรยอะแค่ไหนก็ตามลองมีสักครั้งที่เขาขัดใจเราไอ้ครั้งนั้นเราจําแม่นเลยธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติที่น่ารังเกียจของมนุษย์จะเป็นแบบนี้ผมพูดถึงตัวผมกับพูดถึงพวกเราทุกคนนี่คือธรรมชาติของพวกเราเพราะฉะนั้นซิมต้องระวังครับเราต้องเป็นบ่าวที่รู้จักขอบคุณใครทําดีต้องจําให้แม่น ส่วนใครทำไม่ดีลืมไปได้ซะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเราในบางเรื่องนะก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะพี่น้ององ่เนี่ยกลุ่มสมูครับพอเริ่มรู้สึกทำไมฉันต้องมาแบ่งทำไมฉันต้องมาเสียสละทำไมฉันอยู่สภาพเดียวกับอูรับไม่ได้พอรับไม่ได้ปุ๊บก็เริ่มมีความไม่พอใจท่านอับีุลเละเตือนเป็นประจำนะท่านอบิุลเลาะก็เตือนบอกว่าเนี่ยคุณอย่าลืมความปวดตาของอัลลอฮ์นะ นี่คุณรอดจากการโดนทำลายพร้อมกลุ่มอาร์ตเนี่ยเอาล้อยคุณออกมาก่อนเนี่ยถ้าคุณยังอยู่ลนะคุณตายไปด้วยเลยนะเพราะว่ารูปของอาร์ตเนี่ยเป็นที่รู้กันในช่วงเวลานั้นใครๆก็รู้ถึงการร่วมสลายของอาณาจักรอาร์ตนบีซาเลก้าเตือนเนี่ยพอลล์ให้สถานที่ที่ดีสําหรับคุณมีแหล่งน้ําเพราะอาร์ตไม่มีแหล่งน้ำแต่เนี่ยคุณได้แหล่งน้ําคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคุณมีความสามารถคุณมีสิ่งต่า ง, า ง, า ง, งๆมากมาย จงลํำลึกถึงความโปรดปานที่อัลลอ์ให้แล้วอย่าทำตัวเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายบนผืนแผ่นดินปีน้องที่รักธรรมชาติของมนุษย์จะเป็นอย่างไรผมก็คงไม่ต้องพูดต่อเราก็พอจะรู้กันดีครับเพราะคนสุดท้ายครับมันก็เริ่มมีพวกมีอำนาจในพวกที่กดขี่คนอื่นไอ้คนประเภทเนี่ยมักจะเป็นพวกที่ชอบมีตากมีเสียงคือพวกคนที่อาจจะเป็นคนอ่อนแอคนที่ยากจนคนที่ ไม่ค่พูดอะไรมากเนี่ยปกติก็จะอยู่เป็นส่วนล่างของชุมชนส่วนล่างของสังคมก็เป็นส่วนล่างที่ท่านอมามีมอสก็สํารักแต่พวกที่ชอบอยู่ข้างบนนะพี่น้องพวกที่ชอบเบ่งพวกที่ชอบบนถึงเวลาเขารับไม่ได้โดยเพราะถ้าต้องมาอยู่ในสภาพบททดสอบนี้ในสุาราลเพราะล็อกเกอร์ไงครับก็เลามาลุเลดีนันสกบารูมินเกลมิฮิลีเลดีนัสตดไอ ฟ, ฟูลิมันอาเมลามินหุมอตาอัลโมนอาแนสซาเลฮ์มูร์สลุมีรอบบี “กล่าวว่าอินน้าบิมาอุลซิลัยบิห์มุ่มินุน”กล่าวว่า“เหล่าที่นัสตัคบรูอินบิีรุได้อูดแล้วทุกอย่างชัดเจนแล้วแต่ไอ้พวกชนชั้นสูงของกลุ่มนั้นนะครับพวกที่หยิงยโสพวกที่ชอบเชิดเนี่ยถึงเวลาเขาก็ไปพูดเยอะเย้ยถากถางผู้ศรัทธาเส้นตามปกติผู้ศรัทธาในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มักจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีอำนาจ เป็นบุคคลที่ไม่แสวงหาอำนาจเป็นบุคคลที่อ่อนแอในกลุ่มชนบางทีก็เป็นกลุ่มชนที่ยากจนไอ้พวกเบ่งก็ไปถามไงครับก็ไปย่อเยยไม่ใช่ถามอยากได้คำตอบนะถามแบบย่อเ ย, อเยอ้ยเนี่ยเจ้ารู้ไหมเนี่ยวาซาแลนี่เป็นอับบีมาจากอัมร์เนี่ยรูหรือเปล่านี่มันคําถามอะไรเพิ่งเพิ่งผ่านการพูดคุยเห็นหูเห็นอะไรแต่ยังมาพูดอย่างนี้อยู่แปลว่าอีมานไม่ได้เข้ามาในใจของพวกเขาเหล่านี้เลยเหมือนศรัทธาแต่ไม่ศรัทธาพี่น้องระวังจะเป็นแบบนี้ ผมก็ต้องระวังผมก็กลัวจะเป็นแบบกลุ่มนี้พวกเราต้องระวังอย่าเป็นคนที่หลงและเรินกับสินเจาล้อให้จงยกตัวสูงจนต่ําไม่เป็นเพราะถ้าสูงเกินเอาล้อไม่ทําทให้ต่ําต้อยนั่นแหละครับพอเขาไปถากฐานปุ๊บผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่ออับดุลเบมีนะครับในกลุ่มชนของสมุนเนี่ยที่ศรัทธาต่ออบีก็มีกลุ่มผู้ที่ศรัทธาบอกว่าไงครับเราศรัทธาในสิ่งที่ซาแล้ว นำมาบอกเราศรัทธาในี่ยเอาล้อเชื่อมั่นในี่ยเอาล้อศรัทธาเข้ามาเต็มเตยแล้วคือเขาไม่จําเป็นต้องมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยมีอะไรเขามีความศรัทธาเขาเชื่อมั่นแนวล้อเขาทําในส่วนของเขาเขาได้แค่ไหนเขาขอบุญแล้วล้อในขณะที่บรรดาคนที่ ย, ยิงยโศเขาบอกว่าไงครับกอร์ลลีนัสซัปบรูกอลาอใช้คำว่าบรรดาผู้ที่ทําตัวว่าใหญ่โตทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ใหญ่โตจริงยกตัวเองครับหรือยกหางตัวเองหรือพี่น้องจะใช้คําไหนก็แล้วแต่นะครับผม ก็ินสักบูบรรดาผู้ที่เขาทำเหมือนว่าตัวใหญ่โตเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยปฏิเสธในสิ่งที่พวกคุณศรัทธาคุณศรัทธาอะไรกันนี่คุณละศรัทธาหรือเรื่องนี้ศรัทธาได้ไงเราไม่เชื่อก็บอกว่าเราไม่เชื่อผลสุดท้ายในยักวาลคาฟากอรูอันหนาก่ัวอัต้ตอันอัมลิรับบีหินวกาลุยาซาลิฮุดินาบิมาตัยดูน่าอินคุนตมินอัมซลน เขาได้ทําความชั่วร้ายที่เป็นบาปใหญ่อีกสองบาปไม่นับบาปที่เขาทำมาเยอะแยะแล้วเขาทําบาปที่ยิ่งใหญ่มากๆอีกสองแบบบาปแรกครับเขาได้เชื่อกอูดของทัวร์ลอสซุบาลาที่ล้อส่งมาให้เพราะเขาตกลงกับนารีซ่าแล้วนี้อูดของล้ อ, ลอนะห้ามทําร้ายเด็ดขาดถ้าทําร้ายโดนลงโทษทันทีนบศาระซ่าเตือนแล้วไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เตือนนะแต่เขาว่าไงครับนเมื่อไม่เชื่อก็ฆ่าเลย อย่างที่บอกครับเรื่องราวนะครับของกลุ่มชนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการฆ่าอูดเนี่ยพี่น้องสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่ขอเล่าในาทีนี้อันนี้ผมขอเอาตามที่กุรานบอกก่อนผลสุดท้ายครับก็ทำบาปที่1นึบาใหญ่ที่1ก็คือทําการสังหารอูดทั้งแม่อูดแล้วก็ทั้งลูกอูดฆ่าแม่อูดก่อนพอแม่อูดตายปุ๊บลูกอูดที่ว่าคือตอนที่กูชาวเมืองไหนได้อูดเนี่ยเป็นแม่อูดที่ตั้งท้อง เผื่อบางท่านจะสงสัยว่าอูดไม่ลูกได้ยังไงคือตอนที่เราเล่อให้อูดนี้มาเนี่ยอูดนี้ตั้งท้องมาเรียบร้อยคือพร้อมไปริสกีที่ต่อเนื่องไปเรื่อยเื่อยนี่คือบารกาก้าเอาล่อมาแบบมีบาราก้าเต็มที่แต่เนี่ยแม่อูดค่ะลูกอูดครับวิ่งหนีหนีตายครับหนีตายทันร้องได้แค่สามครั้งร้องแบบหนีตายไปร้องร้องได้แค่สามครั้งแล้วก็ถูกตามไปสังหารตายตามแม่ไปบาปใหญ่ที่หนึ่ง เรียบร้อยบาปใหญ่ที่สองครับว่าก้าลุยาซอลิหุตีนาบีมาแต่อ้ดูนาอินกุนตามยันมุสซาลีนไอบาปแรกมันก็หนักแล้วพี่น้องมันสมควรจะโดนลงโทษทันทีแล้วแต่บาปใหญ่ที่สองเนี่ยหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั้นอีกคุณมชนเหล่านั้นไปพูดถากฐานกันมาวิซาเลบอกว่าไงครับอาซาเลลงโทษเราสิถ้าเกิดว่าเจ้าเป็นระซูนจริงอ่ะเจ้าบอกเจ้าเป็นระซูนใช่ไหมเจ้าบอกล้อแต่งตั้งเจ้าใช่ไหมเจ้าบอกว่าถากทําทร้ายอูดเนี่ยจะถูก ทำลายใช่ไหมเอาสินะนี่คือการเย่ะเย้ยะถากถางรดศูนย์ซึ่งเป็นบาปใหญ่พี่น้องและนั่นก็เท่ากับการถากถางพวกลอสุบะฮานอตาซึ่งก็เป็นบาปที่ใหญ่กว่าเขาทำบาปใหญ่ยิ่งเนะี่ยสองอันเชอดอูดแล้วก็ไปเรียกร้องขอการลงโทษอันนี้คือ คำว่างโงย่งยังยังยังไม่พอกับผมกลุ่มนี้อ่ะพี่น้องคำว่างโง่อยังเบาไปอ่ะคือ ถ, ถ้าคนที่พอมีสติปัญญาเห็นม่วจีสารแล้วไม่ใช่ไม่เห็นเห็นม่จีสารแล้วอูดออกมาจากก้อนหินได้ยังไงไม่รู้แล้วก็ความปูดปานต่างๆกลุ่มชนอาร์กับพู้เดินทำลายไปเห็นสาราพัดแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าเขามีความคิดสักหน่อยนะเขาน่าจะพูดว่า ยาววะหากว่านี่คือความจริงขอให้ฉันศรัทธาถ้าเขามีความคิดสักนิดหนึ่งในหัวสมองของเขาในความคิดของเขาเขาควรจะบอกแบบนี้หากสิ่งนั้นถูกขอให้ฉันได้ศรัทธาในสิ่งนั้นแต่นี่คือปิดเลยหัวใจโดนปิดโดนลั่นดานโดนขังไว้โดนคือไม่ไม่มีทางได้ดีแล้วครับไปท้าทายอาะต่อมาครับฟาอะกอดัตุมุรัตส์ฟาตูฟาบะฮูฟิดารินจาซิมิ ภูมิใจในบ้านที่เองอยู่ในความมั่งคัง่งในความเข้มแข็งที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมฝนสุดท้ายก็ตายอยู่ในบ้านนั่นแหละเจอทั้งลมเจอทั้งแผ่นดินที่สั่นไหวอย่างรุนแรงโดนลงโทษเป็นระยะเวลาสาวันก่อนที่จะเสียชีวิตตามอูดที่ว่าได้ทรมานได้ร้องสามครั้งกลุ่มนี้ก็ทรมานไปสามวันก่อนที่จะเสียชีวิตฟาตาวะละอันหุมบะกอละยาแกวมิลากัดอับลักทุกุม ดิศลัตต์อัลลอฮฺ บ, บีบันสะฮฺทูละกุมว่าแล้วคิลลาตูฮิบูณนันสนอายะสุดท้ายนะครับในสุรอารอบเนี่ยไม่ใช่อายะสุดท้ายจบสุรอ้อแต่ที่จบเรื่องของกลุ่มชนสมูทเนี่ยเป็นข้อคิดเตือนสติพวกเราทุกคนที่เราต้องคุ้นคิดให้มากพี่นะ้องวพาแต่ว่าละอันหุมหลังจากที่กลุ่มชนถูกทำลายล้างไปแล้ว ผู้ศรัทธากับน บ, บีซาเละก็อ้วนล็อกให้รอดนะน บ, บีซาเละก็หันมาพูดคุยกับกลุ่มชนซึ่งก็เป็นสภาพศบคือตายเรียบร้อยหมดแล้วท่านบีบอกว่าไงครับกลุ่มชนของฉันเอ๋ยกลุ่มชนของฉันเอ๋ยอันนี้คือนบีซาเละคือออกมาจากกลุ่มพวกเขาแล้วนะคือรอดมาแล้วนะกลุ่มชนของฉันฉันได้ส่งสารจากนายของพวกคุณให้กับคุณแล้ว ส่งนายจากอัลลอฮ์ผู้สร้างผู้ดูแลผู้บริหารผู้ทุกอย่างฉันเอามาบอกคุณอย่างครบถ้วนแล้ววะนะสะตูรักลุ่มแล้วฉันก็พยายามเตือนพวกคุณแล้วพยายามขัดเกลาพวกคุณทุกวิถีทางแล้วว่าลกินแล้ตูให้ปูนั่นนสิฮีบักสุดท้ายพี่น้องแต่ถ้าว่าพวกคุณเนี่ยไม่ชอบคนที่เตือนซุบานัมลอ์ว่าอายะเนี่ยเราต้องให้ควรให้มากจริงๆ ธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ชอบโดนเตือนเราชอบที่จะไปเตือนเขาโดยเพื่อในการด่าว่าเราชอบมันสะใจมันอะไรหลายๆอย่างมันรู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาเหรืออะไรก็ตามบางทีเราไม่รู้ตัวแต่เราชอบเตือนคนอื่นเราชอบจู้จี้กับคนอื่นเราชอบด่าว่าคนอื่นเราชอบเน็บแนมคนอื่นแล้วเราถือว่าเราทําเพื่ออัลลอฮฺนี่คือความน่ากลัวที่มุสลิมบางท่านหลงผิดอยู่แล้วผมก็กลัวว่าผมป่าจะหลงผิดตรง น, นี้ด้วยว่ารออะไร ธรรมชาติของมนุษย์ครับเราชอบที่จะเตือนคนอื่นแต่พอเราโดนเตือนพุ๊บเรจะรู้สึกเจ็บปวดผมพูดถึงบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านเนาะบางท่านจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกทรมานรู้สึกแย่ทําไมต้องมาเตือนด้วยฉันทําผิดขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าฉันเป็นคนช่วยฉันเป็นคนไม่ดีหรือบางคนรับไม่ได้ปุ๊บพอรับไม่ได้ยังไงครับโกรธก่อนก่อนที่จะใช้ความคิดเขาใช้หัวใจก่อนหัวใจที่อยู่ต่ําด้วยหัวใจที่ไฝ่ต่ําด้วย ปัจจุบันเป็นยุคที่เตือนกันยากขึ้นส่วนหนึ่งครับคนเตือนอาจจะไม่มีฮิกแม์เตือนแบบด่าเตือนแบบว่าเตือนแบบไม่ได้คิดอะไรเตือนแบบเอามันเตือนแบบสะใจเตือนแบบหนึบแนนเตือนแบบอะไรก็ตามที่ทนบีไม่เคยทํามาครับคืออ้างวระสนนะอ้างวระสาทแต่ทําแบบรูปแบบที่ท่านเบีไม่ทําแล้วก็มีความสุขกับการหลอกตัวเองว่าตัวเองทําตามรูปแบบของสลับหรือทําตามรูปแบบของนบียมัสละลอห์ไอสลับเปล่าเลย สาบใดก็ตามที่คุณไม่เตือนตามที่นบีเตือนคุณไม่มีสิทธิ์มาอ้างคำว่าสาับต่อให้คุณจะยกสลับมาเป็นล้านคุณคุณจะบอกสับในด่าแรงสรับนี้สับนั้นสับนี้นบีว่าสุลตัมทำแบบนั้นไหมถ้าไม่ทําจะเป็นสับจะเป็นใครเราตัดทิ้งหมดเลยพี่น้องดูก็ต้องดูให้มันลึกจริงๆเพราะบางท่านก็อาจจะแข็งไปบางท่านอาจจะอ่อนไปสุดหน้าของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีไม่มีแข็งไปไม่มีอ่อนไปก็คือเป็นแบบอย่างที่พระองค์บอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด สำหรับมนเสียชาติแล้วเพราะฉะนั้นครับการเตือนเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองก่อนให้เรารับการตักเตือนได้ไม่ใช่เตือนคนอื่นเป็นอย่างเดียวไอเตือนคนอื่นทุกคนทําได้ทั่วโลกคนชั่อแค่ไหนมันก็เตือนคนอื่นได้แต่การที่จะรับฟังการตักเตือนเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เอาวะรักเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดมีการถก บ, บางครั้ง ปัจจุบันในเฟซหน้าเฟซเต็มไปหมดแล้วครับพี่น้องอยู่ไหนมีแต่ถกมีแต่เถียงมีแต่ดา่ามีแต่ว่าเรื่องนี้นก็มีทาเดียวละแต่เรื่องแรงๆหน า, ยน า, ยนายเยอะอย่างน้อยที่สุดถ้ามีคนมาพาดพงเราพี่น้องสิ่งแรกที่เราต้องทําคิดตามก่อนว่าเราเป็นตามที่เขาบอกไหมจําเป็นตักคิดตาเพราะบางทีหล่อจะพาดจริงบางทีเขาอาจจะเตือนรูปแบบที่มันผิดหรือมันแรงแต่บางทีสัจธรรมอาจจะอยู่ในนั้นด้วยก็ได้คือรูปแบบที่ผิดยังไงก็ผิดแต่พี่น้องจะบอกว่าถูกไม่ได้รูปแบบผิดก็คือผิด แต่ถ้าสิ่งที่เขาบอกมันถูกมันก็คือถูกมันก็ต้องแยกกันให้ออกคนใช้รูปแบบที่ผิดเขาบาปในส่วนที่ใช้รูปแบบที่ผิดแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นการเตือนที่ถูกต้อง <c oughs> เราจําเป็นจะต้องรับฟังเราจําเป็นจะต้องรับฟังเพราะนั้นพี่น้องกลุ่มชนของสมูทเนี่ยไม่ชอบเวลาที่ถูกเตือน เตือนกี่ครั้งก็ไม่ชอบเตือนกี่ครั้งก็ไม่ชอบหลักการชัดเจนแค่ไหนก็ไม่ชอบไม่ชิดคิดแต่ว่าตัวเองต้องถูกกย่เรียวความคิดของตเตงต้องถูกต้องอย่างเดียวพี่น้องคนเราหลงผิดง่ายมากหลงทางง่ายมากๆยิ่งพี่น้องอายุเยอะๆพี่น้องเราจะเห็นครับหลายๆคนเนี่ยดําเนินทางมาถูกต้องหมดเลยอาจจะมาหลุดอาจจะมาเพี้ยนด้วยกับสารพัดสาเหตุอาจจะเพราะความโกรธเพราะมีความโกรธกับคนคนนึงก็เคยเล่นกับ ค, คนนั้นคนนั้นคนเดียวคนอื่นไม่สนและสันจะเล่นแต่คนเนี้ยก็จะเกิดความบ i a s หรืออาจจะพาะความอิจฉาอาจจะเพราะความน้อยใจอาจจะเพราะความที่หลงตัวเองว่าตัวเองต้องถูกต้องเท่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับมุสลิมทุกคนเริ่มจากตัวผมเองคนแรกอันตรายสําหรับผมแล้วก็อันตรายสำหรับที่น้องที่รักทุกคนอันนี้คือประเด็นที่เราต้องเตือนกันพี่น้องพยายามรับการเตือนให้ได้ต้องฝึกตัวเองต้องฝึกลูกหลานแล้วต้องฝึกตัวเองให้ได้ก่อนนะเวลามีการเตือน ให้ควรก่อนคิดก่อนเอาให้มันคิดจริงๆก่อนเมื่อที่เขาเตือนเนี่ยมีสาระอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไหมมีสาระอะไรที่เราต้องระวังไหมถ้าเราคิดแล้วพบว่าเออมันมีสัจธรรมอยู่นะเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะพี่น้องก็เปลี่ยนถึงแม้จะมาจากคนที่เราเกลียดแค่ไหนก็ตามหรือคนที่เราไม่ชอบแค่ไหนก็ตามถ้าสิ่งที่เขาพูดมันถูกมันก็คือถูกก็แค่นั้นพี่น้องแต่ถ้าเราฟังดูปุ๊บไม่ใช่นะเขาเข้าใจผิดผิดแน่นอนมันค้านกับผู้อ่านค้งกับพาริสนี้ไม่ต้องไปเชื่อ หรือถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดมันมาจากพื้นฐานที่เขาเชื่อว่าเขาถูกเราก็สามารถเคารพความคิเดเห็นเขาได้ด้วยก็คือโอเคเอาล็อ okay, กให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันถูกสำหรับเขาแต่พอล็อกให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกมันเป็นอีกสิ่งหนึง่งหน้าที่ของเราเราทําในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าถูกต้องส่วนเขาก็ทําในสิ่งที่เขาว่าเชื่อมั่นถูกว่าถูกต้องถือเวลาพอล็อกก็เป็นผู้จัดการเองแล้วพอล็อก เ, เป็นผู้เมตตาแต่ถ้าจะลงโทษก็ลงโทษแบบไม่ไว้หน้าใครเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการเตือนครับอยากอยากจะขอในซีห้าตัวผมแล้วก็พี่น้องที่รับทุกท่านนะครับพยายามเปิดใจในเรื่องของการเตือนเวลาเตือนก็พยายามเตือนให้มีมารยาทเตือนแบบที่ท่านนาบีเตือนแต่ถ้าเราเจอการเตือนแบบอื่นมันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเราก็ต้องคิดอีกเราก็ต้องให้ความสาคัญเพราะว่าถ้ามันเป็นศัตรธรรมเราจะได้ไปอยู่จากมันถูกไหครับ ถ้ามันไม่ใช่สัจธรรมเราก็ได้ไประโยชน์จากมันเราก็ได้ฝึกความอดทนเราก็ได้ผลบุญจะไปเอาโลกรอไปเอาโลกหน้าเราก็ได้บุญหรือเราจะอาภัยให้เขาในโลกนี้โลกหน้าเอาล็อก็จะให้เราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเตือนพี่เนองให้เขาเตือนมาเถอะถ้าจะมีคนเตือนเราให้เขาเตือนเรามาเถอะเขาอาจจะใช้รูปแบบที่ผิดรูปแบบที่ถูกถ้าเราจะเตือนเขากับเราต้องใช้รูปแบบที่ดีกว่า คือไม่ใช่เขาใช้รูปแบบผิดแล้วเราต้องตอบโต้ด้วยกับรูปแบบที่ผิดไม่ใช่แล้วก็ใช้รูปแบบที่ดีกว่าแล้วก็ดูว่าแบบไหนแบบไหนที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์รักเรามากที่สุดสังคมมันจะเดือดร้ายยิ่งกว่านี้เรื่อยๆความรุนแรงความแตแกแยกมันจะหนักกว่านี้เรื่อยๆผมไม่ได้ดูอาผมไม่ได้สาบแช่งแต่มันคือสัตธรรมที่ท่านนบีมอมะสบสลัมเตือนเราไว้ยิงเกรวาเกียมะ พิจนามันจะยิ่งหนักหนักหนักหนักหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นถึงขั้นว่าคนเป็นเดินผ่านหนุ่มศกคนตายเขาจะอุทานเขาจะพั่มเพยออกมาว่าแลกกันได้ก็ดีนะแลกที่กันได้ก็ดีมันจะหนักขนาดไหนวุเราวลรำครับแล้วยังไม่เจอที่หนักขนาดนั้นพี่น้องหนักกว่านี้ยังมีพิจนาที่หนักกว่านี้ยังมีแล้วมันก็จะมาครับเพราะฉะนั้นกูอังพุสคุมลอะฮิกุมนารออย่างีิศุดตัวเรากับครอบครัวของเรา นี่คืออามานาหลักที่เราต้องรักษาให้เขานั้นรากพืจากไฟขอลกของพระองค์ในขณะเดียวกันแล้วก็ขอดูให้กับผู้ศรัทธา inander. ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกลียดเราหรือรักเราพี่น้องผมขอเนเชียฝ า, ากอีกเรื่องหนึง่งคนที่เกลียดเราไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนชั่วพี่น้องต้องจำให้ขึ้นใจนะคนที่เกลียดเราไม่จําเป็นจะต้องไปว่าเขาเป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกันคนที่รักเราก็ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดี ความรักความเกลียดมันมีนกลไกมันมีตัวแปรเยอะแต่อย่าได้รีบด่วนตัดสินว่าถ้าคนนี้รักฉันเขาต้องเป็นคนดีหรือถ้าคนนี้เกลียดฉันเขาต้องเป็นคนชั่วเหมือนกับที่หม่อมอามัดริมูลล้ อ, ลอครับตอนที่มีลูกศิษย์ลูกหาไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์ท่านนั้นเป็นที่รู้เลยว่าชอบใดอีหม่อมอามัดบินธรรมบัณ์ด่าแบบเปิดเผยเลยลูกศิษย์ลูกหาพอมาเจออีหม่อมอามัดบินธรมบัณ์อีหม่อมอามัดบินธรรมบัณ์ถามเขาว่าพวกคุณมาจากไหนกันเลย คือไปเรียนอะไรมาก็พูดคุยทักทายภาษาอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกศิษยก็บอกว่าเออพวกเราไปเลี้ยงกับอาจารย์คนนั้นมาคือคือก็รู้อยู่ว่าคนเนี้ยด่าอิหม่ามาัดแต่ก็ก็ตอบอี่ม่ามาัดไปตรงๆรงี่หม่ามาับอกว่าไงครับดีแล้วคนคนเนี้ยเรื่องในที่เขาสอนเนี่ยเขาสอนดีคุณไปเรียนกับเขาลูกศิษย์แปลกใจครับบอกว่าอีมามครับแต่ว่าเขาด่าอีมามนะเขาว่าอิมามนะทาไมอิมามยังส่งเสริมให้เราไปเรียนกับเขาล่ะ อิหมา่ามอามัดบอกว่าไงครับมันเป็นบททด ส, สอบที่อัลลอฮ์ทด ส, สอบให้เขาไม่ชอบฉันมันเป็นบททด ส, สอบที่มาจากอัลลอฮ์ที่ให้ที่อัลลอฮ์ให้เขานั้นไม่ชอบฉันแต่ตับได้ก็ตามที่สิ่งที่เขาสอนมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันก็ต้องบอกไปตามนั้นคื อ, ม, อามามอามัดก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธเขานี่คือสิ่งที่ถ่าสังคมเราทํากันได้มากขึ้นเราจะเห็นภาพการเป็นผู้ศรัทธาที่ชัดเจนมากขึ้นครับผม นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของสมครับซึ่งโพลสุปานตาก็ให้พวกเรามาได้ฟังสิ่งที่อยากจะขอพูดเกี่ยวกับกลุ่มชนต่างๆที่ถูกทำลายเนี่ยท่านอับดลมฮัมัสุ ล, ล, ส ล, ลบอกว่าไงครับท่านบด ม, มลลมามรรส ม, ม, ม ร, ร, บ, าร บ, บ, ي ي บ, บากะอกวละมัน م ر ة b i b i n e f i w s ไปอินะอัลลอฮ์นะแต่บาคิยาไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องที่รักที่รักครับในฮะดิษผมขอสรุปในความหมายฮะดิษจบที่เขาว่าเพลียต่อบาคะท่านนบีมสุสลิมสัมครั้งหนึ่งท่านได้ผ่านมาด้อินซอแล้วที่ที่พวกเราไปมีความสุขไปยิ้มไปถ่ายรูปเนะี่ยท่านนบีได้ผ่านแล้วท่านนบีได้บอกว่าไงครับเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพระท่า น, นมีโอกาสได้ผ่านจุดที่อัลลอฮ์เคยลงโทษกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามเขาจงร้องไห้ซะ ตรงข้ามกับหั ว, วล้อเลยนะตรงข้ามกับมีความสุขตรงข้ามกับยิ้มแล้วถ่ายรูปเลยนะต้นบีว่าถ้าผ่านสถานที่เราเนี่ยที่ถูกอัวล้อสาบแช่งเนี่ยที่ถูกหัวล้อลงโทษเนี่ยเขาจงร้องไห้ถ้าเขาร้องไห้ไม่ได้ก็จงแก้งร้องไห้ต้นบีพูดขนาดนี้รพราะการลงโทษเมื่อถูกลงโทษสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่ต้องสาบไปเลยเช่นเดียวกับสถานที่ใดที่หัวล้อมีบราร์การสถานที่นั้นก็มีบาร์การไปตลอดการเหมือนกับมักกะ อาลความเจิญอาละก็มีความเจริญตลอดไปเะงั้นก็วันนี้นะซีฮะเยอะหน่อยนะครับผมวันนี้นะซีฮะเยอะหน่อยถ้าเกิดพูดอะไรทําให้พี่น้องรู้สึกไม่สบายใจเลยในส่วนตัวของผมผมขอมาร์คด้วยเพียงแต่ว่าในส่วนของการนซีฮะม่สิมก็ต้องมีการในแซะตักเตือนกันและตักเตือนกันด้วยความรักแล้วก็หวังในความเมตตาจากพวกลอสซุบฮานหัวตใจว่าพวกนั้นก็จะรักเราแล้วก็ไม่ตาเราเช่นเดียวกันครับในส่วนของอธิบายกราุรานซูร่าเวลฟัส ในอายะที่9ก้านะครับผมก็จบเปเพียงสัญญาสมุติได้เลยในจาบุสซอกบินลวในเรื่องราวของชาวสมมุติครั้งต่อไปเรามาคุยกันถึงเรื่องของฟฟรดเอาในสิ่งที่พัวร้ายกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ข้อเตือนที่พัวร้าเตือนสติกับพวกเราทุกคนครับเดี๋ยวชาวพักกันสักครู่นะครับเรามาต่อกันในส่วนของดูอาสำหรับท่านที่ไหวนะครับหรือท่านไม่ไหวเดี๋ยวรับชมย้อนหลังได้อินชาอัลล์ครับผมอกลิฮดะวสัตติลลอฮาลัคุมวะลิซัลมุสลิมน من كل ค ا ที u, ่ ي า و ั ن งประโยร์อิน ح บ ن ล ح م ه ีก ل ه ันฮา ا ิ ل ا า ل ه ลาอ ا ل ัมตะส ل กวะตุบุอุไ